อักคาสนาธิอนุชา น, นะว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะเลิศเป็นต้นเรื่องความเคารพ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรุงเวสาลีตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุอันเตวาสิก ข, ของพวกภิกษุฉับคพคัีล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจับจองวิหารจับจองที่นอนโดยกล่าวว่า ที่นี้เป็นของพระอุปชาทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพระอาจารย์ทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพวกเราต่อมาท่านพระสารีบุตรไปภายหลังพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อวิหารถูกจับจองแล้วเมื่อที่นอนถูกจับจองแล้วเมื่อไม่ได้ที่นอน จึงนั่งณพวงไม้ต้นหนึ่งครั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นทรงพระกาศแม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กระแอมรับพระผู้มีพระภาคปรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นท่านพระสารีบุตรกราบถูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าสารีบุตรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงมานั่งที่นี่เล่าท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ